คนเราทุกคนจะมาเบิกบั่นกับความได้เป็นคนธรรมดาแต่เมื่อได้รับการฝึกตามบุคคลทั้งทางโลกและทางธรรมพยายามมีความเพียรพละได้ตามนี้การฝึกตะ แต่ที่ทั้งหมดนี้ล่ะเราก็ยังดีฐานสําคัญคือความเป็นมนุษย์ของเราเปรียบปานเป็นฐานที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดกลืนโลกกันตะบางตกตวดแม้แต่หมู่ร่างกายใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์ เอ่อไม่ก็ถึงแม้อำนาจปาตนามารมีก็สูญหายไปได้ในปฏิบัติหน้าที่ครองราชย์แห่งความเป็นศักดิ์ดลมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นเท่าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นกรรมบาปเป็นผู้ที่มีความไม่มีความเป็นมนุษย์สมบัติ มันสมบัติกูก็กล่าวไม่ประการสักตัวของไหนก็ได้เลยลักษณะภาพแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี้แหละบัวว่ามนุษย์สมบัติ กับกระทบตาท่านเป็นกับว่าบุคคลมนุษย์ตะกิลาภังอันดาสภาพเป็นมนุษย์เป็นของที่หาได้ยากอันดับแรกอันดับที่ 2 กุธัมมตานชีวิตังเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วชีวิต กุต่อไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นก็สั่นว่าจะต้องหาในยากนี้จะต่อคือกรรมนี้ละลึกผู้ผู้ไกลถึงนี้เป็นธรรมไม่มีหน้าความดีที่ตนไม่เคยสร้างมาจนถึงความเป็นมนุษย์ โดยละตัณหาเดิมมานี้มาแล้วไม่เว้นตัวพยายามบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือว่าประกอบภูมิมีความเจริญลู่เดินไปในการข้างหลังตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่า โมทติปะลางนะเนี่ยเราจะเริ่มมาในเบื้องต้นแต่ก็จะมีความสว่างสมัยภายในการเท่านั้นที่เบื้องต้นละโง่ต่อมาก็มีธรรมตลาดต่อการอบรมศึกษาเราสามารถจะปฏิบัติตนให้สูงขึ้นไปจนบรรลุจนกระทั่งถึงท่านดีเยี่ยมเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ มนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากแต่ที่ได้มาเป็นมนุษย์แล้วกับท่าร่างนี้ไปทําความเพียรหายใครล้มตกไม่มีกําไรทางด้านโลกอยู่อยู่ในโลกก็ไม่ทําโลกให้เจริญตายเป็นคุณสร้างโลกไปที่ไหนทําความเดือดร้อนเสียมากมายดังนั้นขอมีกําลังไม่น้อย บทมาประมณีทั้งนั้นไม่ทําประโยชน์อันใดเลยเป็นเดียวกับไม้ที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีใครนํามาทําประโยชน์ตายซืนเป่นจาติตามตาตามลบหีตายยืนต้นหรือยังสดชุ่มอยู่ก็ขาดประโยชน์ไม้ประเภทนั้นไม่เป็นธรวุฑอันใดเลยเอาที่ผู้ทําตัวให้ขวางโลก หากความมั่นดีเป็นประโยชน์เพราะม้าแม้เขาจะเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่ทําโทษแก่คนผู้ใดมนุษย์ผู้ที่ไม่ทําประโยชน์แก่ตนแล้วยิ่งรังทนผู้ทําธรรมเสียหายแก่ตนและทําความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองเป็นมนุษย์ที่อย่างงามประกอบขวางโลกมนุษย์หิงหาได้อย่าง อนุรุความใฝ่ความปรองเป็นขุ่นที่รักในความดีและธรรมรักศีลรักการหล่อโคนจิตใจของคนให้เป็นสภาพที่ส่งไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ประเสริฐนี้เป็นมนุษย์หายากอีกจึงเมื่อสุเสอมนุษย์ตักลีลาภพ มีหาได้ยากในมนุษย์คนนี้สุขกิจการนั้นเมื่อยังมีสุขของร่างอยู่ก็ต้องมีเหมือนกันคนทั่วก็อดีตบุญมีคนมีอดีตบุญก็มีคนทั่วตาเรอก็มีคนดีตาเรอก็มีเอิ่ม ที่มีความสัมพันธ์สื่อเนื่องกับความงามความดีไปตนประจำนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากไม่ใช่ชีวิตที่ท่าลมหายใจให้หายไปตลอดเกล่าในวันหนึ่งวันหนึ่งข้ามไปทุกวันทุกวันไม่ใช่ชีวิตประเภทนั้นชีวิตของผู้มีศีลมีธรรมกับความงามความดีนี้ตนชีวิตที่หาได้ยากวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ทําคุณงามความดี เพื่อให้ลำตัวกายสบายกายผู้ผู้ที่คุณธรรมได้สั่งสมปกลมจิตใจให้ดำเนินไปมีความใฝ่ปรารถนาความดีไม่ได้ทําแล้วอยู่ไม่ค่อยสุขสบายเมื่อได้ทําแล้วปรากฏมีธรรมรุ่นลงบังเกิดในจิตในใจผู้ผู้ที่ทําสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอานามความดีจะรู้เป็นชีวิตที่หาได้ยาก 93 สุขังสัทธรรมภาวนาการจะได้ยินเรื่องธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าขอจงค้นหาได้ดั่งตามจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่เราไม่สามารถจะหยิบยกธรรมะตรงนี้ตามสถานที่ต่างๆเข้ามาเป็นเรื่องคําสอนจิตใจของเรา สงฆ์ทั้งหลายถืออาการเป็นผู้แนะนําคําสอนเหลือกว่าข้อเข้าข้อศาสนบรรณและคันน้อยทีนี้มีความกังวลแค่ต่อการประดับรักษาสมเทศนานั้นก็มีจํานวนน้อยอยู่เป็นเป็นที่หาได้ยากฆานสังคมเพื่อความเข้าเข้าใจดีจริงก็หาได้ยากที่หาได้ยากทั้งคู่แสดงครับ อาณาจักรทั้งคู่ที่สนับสนุนรับสั่งเพื่อข้ออรรถกถาธรรมนํามาแก้ไขตัวเองให้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้ง 2 ประเทศนี้เป็นคนหาได้ยากด้วยกันธรรมะที่แสดงนั้นมีทั่วไปผมเชื่อนักถือพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ทั่วไปแต่ทุกจะหาเอาหลักเรียนจริงๆเพื่อผลประโยชน์จากหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนั้นมีเป็นน้อยน้อย ว่าศาสนาใดๆคนเราจะดีขึ้นมาได้ก็ต้องให้ใช้พูดในนามของศาสนานั้นๆมาเป็นเครื่องคลุมคลุมกิจใดแต่หลักของใจที่เชื่อต่อหลักธรรมจริงๆนําต้นต้นให้ตนให้ปฏิบัติตามขอขอทําเป็นจริงและทําสุขธรรมเจริญก็จากใจนั้นมีเป็นน้อยๆและเป็นมันคู่ที่หาได้ยากอีกเช่นเดียวกัน การตองธรรม 1 2 ประเภทต้องทําจากครูจากอาจารย์หรือจากพระในสถานที่ทําการที่ท่านแสดงรับเป็นแสดงทางวิทยุกระจายเสียงหรือจะแสดงเป็นธรรมมากโดยแสดงในสถานที่ใดก็เรียกว่าการฟังธรรมมีเป็นการตองธรรมประเภทนี้และการตองธรรมประเภทที่ย่อเกี่ยว เหมือนพระพุทธเจ้าทรงตรัสธรรมพระองค์เดียวอยู่ในป่าในเขานั้นนี่เกี่ยวกับการฟังธรรมที่หาได้ยากดูพิจารณาไตร่กลองดูตามปฐาวัธธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในหลักธรรมฐานนั้นจนเกิดความเข้าเข้าใจสามารถแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์ให้เป็นไปตามตรงนี้เรื่องแรงตลอดในโลกธรรมทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นศาสดาของธรรม การฟังธรรมประเภทนี้เป็นการฟังได้ยากและหาได้ยากเลยผู้ประพฤติประพฤติปฏิบัติตนตามหลักหนึ่งธรรมะคําสอนคําพระพุทธเจ้าซึ่งคือคือสติปัญญาทุนิษฐิการและสามารถทุนิษฐิการในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วๆไปน้อมเข้ามาเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของตนผู้นั้นก็เชื่อเป็นผู้หาได้ยากการฟังธรรมประเภทนี้ เมื่อผู้สนใจใคร่ฟังจริงๆแล้วสามารถจะถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยเครื่องหมั่นอยู่ภาวนาจิตใจให้เห็นขึ้นไปเป็นหนักจนถึงท่านหมดซึ่งเป็นเจตจิตได้การฟังธรรมอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากและผู้ฟังธรรมประเสริฐนี้ได้ขอจงผู้หาได้ยากทั้งนั้น เมื่อท่านผู้สามารถจะระดับกับฟังธรรมเทศนาในไตรลักษณ์ธรรมชาติคือความเกิดดับจิตใจที่มีอยู่ทั้งเขาทั้งเราดูความแปรสภาพซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนไม้คือเขาและใบยาก็ดูผ้าอากาศทั้งหญิงเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกข์อนัตตาเสมอกันกับเรื่องกายเรื่องใจของเราธรรมะจะขัดทอนความยึดมั่นถือมั่นจน ต้องปลีกออกจากตถาวะทั้งหลายเหล่านี้ได้กลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่าวิปัสสนาปุธานุปาทนการอุปัสสัทธ์ขึ้นแห่งความรู้นั้นเป็นของที่หาได้ยากนี้กับว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากมากในบทที่ 4 ทั้งกล่าวว่าคุโชปุธานมุตตาเพนการที่จะอุปัสสัทธ์ขึ้นแห่งพระพุทธเอกเจ้านั้นเป็นของหาได้ยากนั่นเป็นพุทธะของพระตถึกเจ้าที่จะเป็นศาสนาของกับ แต่พุทธะที่โดยธุรกิจขึ้นทั้งอย่างยิ่งภาระใจของเราสู้สุดเนื่องมาจากการตระหนักรับฟังในหลักธรรมชาติอันต่อเนื่องมาจากการได้ยินในทางจากครูบาอาจารย์เป็นภาคทุนนี้นี้ก็กลับว่าเป็นของหาได้ยากพุทธะอันนี้เมื่อได้ผุดขึ้นพระอํานาจแห่งการทั้งทั้งย่อมเป็นพุทธะที่โดยธุรกิจเช่นเดียวกับพุทธะของพระโพธิสัตว์ ก็นั้นจึงควรจะพยายามอบรมดำรงพุทธะซึ่งกําลังรู้ๆอยู่นะขณะนี้ถ้าเป็นพุทธะที่เกิดขึ้นมาเป็นนั้นๆเบื้องต้นก็เป็นพุทธะที่คลุกคล้ากันอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในโดยมากก็เป็นผลโทษทําให้เกิดแรงจิตใจให้นําความคิดธรรมเดือดร้อนให้แล้วความฟุ้งเฟ้อเรื้อรัง พอเมื่อได้รับการสักข้ออบรมด้วยการฟังธรรมเทศนาหรือการดับเกรงจึงได้ค่อยมีความสงสัยขึ้นมากับครูรู้อันนี้ครูรู้นี้จะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความยากจากความครึ้มคล้าในอารมณ์ทั้งหลายนั้นขึ้นมาได้เต็มน้ําหนักซึ่งต้นทางกล่าวเป็นพุทธะผู้ตรัสรู้ผู้มีความสงบเยือกเย็นประจำตน ไอ้ตัวว่าพุทธะประเท็จนี้กําลังเข้าอยู่ในฐานสมาธิท่านอํานัดต่อไปพุทธะอันนี้ได้มีความสงบยอดเยี่ยมภายในตัวเองแล้วก็เปนเช่นเดียวกับน้ําคืนนิ่งไม่มีจุดใดรบกวนสามารถจะมีความป้องไสภายในตัวเองกับผู้ต้องการรับส่องมองดูเงาลึกขวากน้ําเอาแต่ลึกๆสิ่งใดภายในน้ํานั้นก็เห็นได้โดยชัดเจน ลักษณะของปัญญาที่จะแผ่แสงขึ้นมาจากผู้รู้ที่มีความสงบเพื่อดึงอันดลดวงภายในจิตตัวเองก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับน้ําที่ใสสะอาดนั่นแหละเมื่อพุทธะนี้ได้ค่อยๆฉายแสงออกมาเป็นความเฉลียวฉลาดภายในตนเองและจนสามารถฉลาดรอบตัวแล้วพุทธะนี้จะกลายขึ้นตัวขึ้นมาเป็นน้ําดําเป็นพุทธะผู้ฉลาด นอกจากพุทธะนี้เป็นความสงบเย็นแล้วพุทธะนี้ยังมีธรรมะโดยฉลาดรอบคอบในตัวเองตนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นเคลี้ยงเป็นหนามหนักหน่วงอยู่ภาระในจิตใจของตนหน้าเป็นลําดับลําดับและถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นพุทธะคือปุถโธพุทธานุบัติเกิดได้จะเป็นพุทธะที่โดยปุถุชนขึ้นภาระใจซึ่งเคยเฝ้ามองมาเป็นเวลานานให้ซึ่งทะเล หมดความกำหนมใดๆทั้งนั้นผู้พุทธะนี้เป็นพุทธะที่หาได้ยากตามหลักธรรมที่กล่าวมาใน 4 ข้อโดยต้นนักปุถุชนพุทธะอนุตตปะกิลาภพการเป็นมนุษย์ดลอาตภาพตัวมนุษย์เป็นอันหรรษาได้ยากในอันดับแรกชีวิตทั้งหมด คนที่เป็นมนุษย์นั้นก็เป็นของหาได้ยากในอันดับ 2 ฐานแห่งความเป็นมนุษย์และชีวิตเป็นรากฐานอันสําคัญมีอยู่แล้วและได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นของแท้ขององค์เพื่อความตนไกลใกล้ต่อธรรมที่จริงนั้นเป็นของหาได้ยากในอันดับ 3 และการฟังธรรมโดยอตโนมัติ เป็นเป็นของมีอยู่ทั้งภายนอกภายในภายภายในใจของตนเองโดยทางปัญญานี้จัดว่าเป็นของที่หาได้ยากชั้นแรกหนึ่งในอันดับเป 3 อันดับคือคือได้แก่พุทธะที่เคยคบคล้อยกับอารมณ์ทั้งหลายคือที่เป็นภาคสุดต่อใจในหมวดเส้นใสโดยลําดับ พระอัลลหะปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดล้ำเลิศนี่พุทธะอนูตตนของพุทธะในยากแห่งบัตรเป็นพุทธะที่มีคุณภาพเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นผู้คนแล้วจากห่วงแห่งทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีทางเกิดเป็นแรกทุกข์นั้นคือรากฐานแห่งทุกข์ดับตามมาทุกข์ <c oughs> บาทภพเป็นเดียวกับต้นม้านะเมื่อพุทธขึ้นมาลุด 8 เม็ดขึ้นมาก็ปรากฏต้นถึงสูงกลางขาขาก็ค่อยๆตามมาทีหลังลักษณะของการเกิดก็ขึ้นเดียวแต่เมื่อพุทธะนี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอันทําลาย เอ่อท่านทั้งหมดด้วยความเกิดดินดินนั่นแหละพุทธะของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ผุดขึ้นในแผ่นดินของอพติเก่าแล้วเป็นภูมิเกิดขึ้นนั้นจากพุทธะที่เคยได้ทราบมองเคยเป็นของอรรถามาเป็นนี้นะฮะหลายๆหลายคนเช่นเดียวกันกล่าวเป็นสาวกหรือบุคคลผู้ค้นพบตามพระเดชพระพุทธเจ้าเข้าเข้าถึงทางได้พุทธะทั้งเรานวดนําธรรมะ จึงเป็นธรรมที่เธอได้รับผลมาแล้วและรับรองโดยแน่นอนจากพระพุทธเจ้ามาคํานะจิตใจของตนก็จะกลายเป็นพุทธะที่แน่นอนในที่ใดคือพุทธโธเช่นเดียวกับพุทธาของพุทธะของพุทธะของพระพุทธเจ้าครั้นพลุหมดธรรมทุกข์ทั้งหลายให้เกรงกลายเป็นใจผู้มีปุญญะประจักษ์ธรรมใจของตนโดยสภาวะได้อยู่ก็ดีจบไปคน จะตายคนไม่เป็นเครื่องกังวลหรือไม่เป็นอุปสรรคใดๆที่จะสามารถเหยียบย่ํากุฏฐกนี้ให้กลายเป็นของตนของลดไปคลุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายได้อีกต่อไปขอให้บรรดาภิกษุทั้งหมู่มีความตั้งใจใคร่ต่อ ในโลกไหนๆก็ต้องมีความแตกสลายทําลายเป็นธรรมดาเอ่อยังไงขออย่าให้จิตใจของเรากับธรรมะไปเหินห่างจากกันพยายามบำเพ็ญจิตใจของเราให้ถานแน่หนามั่นคงด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ร่างกายจะแตกกรับแต่ว่าการแตกสลายอย่างร่างกายเบื้องจิตใจที่บำเพ็ญไว้ซึ่งธรรมอันมีคุณค่าแล้ว ดังนั้นจักกลายเป็นไทที่ดีขึ้นถ้าเราไม่ทนกันคํานวณทางการตรวจแจงจุดตายแล้วใครจะไปตัดสินจุดดุลยภาพในคู่ไหนเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่าในราคาประมาณธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่าห้ามล้ําลึกรัตตาจุดตายของหนเราจะเป็นคนมีคุณค่าตลอดไปจนกระทั่งถึงแดนอวกาศที่มือถัดอันเป็นของธรรมมีคุณค่านี้ ดังนั้นอวัคคันก็ทําบทเพลงนี้ขอให้ขอดูงานคุณพระธีระคุณาไตรจิตโคติจาตพระทัพพะสงฆ์จงบันดาลให้ทักษ์ทั้งหลายได้ถึงเดือนแห่งความมุ่งหมายโดยครึ่งหนอกัน